หลายคนสงสัยกับท่านคะชีวิตทุกวันเนี่ยโดยเฉพาะคนกรุงเทพดิฉันเองเนี่ยเคยสมเพศคนกรุงเทพขอบตาโตนะครับว่าทําไมวันๆเนี่ยมันหมดไปแบบตื่นก็ต้องรีดตื่นแต่เช้ามาใช้เวลาอย่างมากกับการเดินทางทํางานเสร็จก็ต้องมาใช้เวลาอย่างมากกับการเดินทางกลับนะคะกลับไปบ้านก็นอนได้แป๊บเดียวพรุ่งนี้ต้องตื่นอีกแล้วไม่มีเวลาไปวัดทําบุญบางคนเนี่ยอยากทําก็เลยอยากรู้ว่าถ้าเราไม่มีโอกาสที่จะไปทําบุญอย่างนี้เนี่ย ในชีวิตประจำวันของเราในแต่ละวันเราสามารถจะใช้ชีวิตปกติของอเราไปด้วยโดยให้ได้บุญกุศลด้วยได้หรือไม่และได้ด้วยวิธีอะไรคะโอ้โหสบายมากหาๆกระแทกในรมราสการครับ <c oughs> ุทเจ้าตรัสไว้หลายอย่างเจ้าท่านบอกว่ากองกุศลที่แท้จริงเนี่ยกุศลาสีเนี่ยคือการเจริญสติปัฏฐานสีถ้าใครคิดว่าต้องการความเป็นกุศล ไม่ต้องวิ่งเข้าไปวัดห า, าทําบุญสุนทานอะไรก็ได้นะบุญทั้งหลายเนี่ยอยู่ที่กายที่ใจเราแล้ ว, ลวนะผู้เจ้าให้พึ่งตนพึ่งทำวิธีง่ายๆอย่างหนึง่งเราหยิบมัสมีองค์8ขึ้นมาทําในส่วนสัมมาสังกัปปะก็ได้เว่าคิดว่าเหมาะกับความเป็นคาวาะที่กําลังทํางานอยู่เนี่ยไม่ต้องพึ่งการแต่งกายไม่ต้องลุ่มชุดขาวก็ได้ไม่ต้องมีแบบฟอร์มอะไรก็ได้ไม่ต้องมีพิธีกรรมอะไรเป็นแต่เพียงว่า เราพยายามทิ้งความคิดในทางอกุศลอยู่ตลอดเวลานั่นชื่อว่าเราทําความเพียรอยู่ตลอดเวลายกตัวอย่างเป็นรูปธรรมได้ไหมคะท่านทิ้งความคิดที่เป็นอกุศลเช่นคเช่นว่าอเรากําลังขับรถมาเนี่ยนะไอ้คนนี้เจอปาดหน้าปุ๊บเนี่ยเราแหมอยากจะเปิดกระจกไปด่ามันสักทีใช่ไหมเราก็หยุดในใจเออนี่คิดอกุศลละทิ้งไม่เอาช่างเขา ให้อภัยเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วสมมุตินอกเหนือจะให้อภัยนะครับท่านสมมุติเราบอกว่าสงสัยไม่ใช่รีบเมียจะคลอดลูกมั้งอย่างเงี้ยได้บุญไหมครับท่านอ๋อก็คือแถมด้วยได้2ต่อไหมคะคิดเป็นกุศลไงคิดเป็นกุศลเรียกว่าเรามีมุมคิดที่ดีซึ่งก็อาจจะตรงกับที่พระเจ้าบอกอะวิธีดับความคิดอกุศลท่านบอกให้ไปคิดเรื่องกุศลซะอวิธีแก้ค่าคุณโทษของความคิดอกุศลนั้นว่าเอ๊ะมันเป็นโทษนะไม่ดีแล้วความคิดอกุศลก็จะหมดไป นะหรือไม่สนใจมันนะนึกถึงลมหายใจเข้าไว้ใช่ไหมนึกถึงกายนึกถึงปัจจุบันเรากําลังทําอะไรขับรถก็ขับรถให้ดีนะอยู่ตรงนี้อย่างนี้นี่ก็คือสัมมาสังกัปตัน ท, ที่สามารถใช้ชีวิตในทุกๆวันให้ได้บุญกุศลโ ด, ดโดยไม่ต้องไปวัดโดยไม่ต้องไปวัดไม่ต้องไปสถานที่ปฏิบัติทำอะไรก็ได้การปฏิบัติเนี่ยอยู่ที่กายที่จิตของเราทําเมื่อไหร่ได้ทุกเมื่อใช่ไหม แล้วการเจริญสัมมาสังกัปปเนี่ยผู้เจ้าบอกว่าขณะที่เจริญอย่างนี้นะมักมีองค์แปดครบขึ้นมาพร้อมๆกันเลยนะใครมาทําตรงนี้เนี่ยผู้เจ้าบอกคนคนนั้นก็มีสัมมาทิฏฐิแล้วเห็นถูกแล้วนี่มาทําตรงนี้นะค่ะอ่า ท่านขอย้อนกลับไปนิดหนึ่งซ้ำมาสังกับปะเนี่ยคาจำกัดความคืออะไรคะความคิดที่ถูกต้องความคิดที่ถูกคิดที่ถูกต้องคิดถูกต้องคิดอย่างไรคือคิดทิ้งความคิดอกุศลอกุศลคืออะไรคือความคิดทางการพยาบาทเปลี่ยนเปลี่ยนสาความคิดนี้การพยาบาทเปลี่ยนเปลี่ยนคืออกุศลอกุศลใช่ขวางกั้นความสงบของจิตการก้าวหน้าของจิตนะนเราต้องพยายามวางพยายามปล่อยเมื่อเกิดความคิดเหล่านี้ขึ้นมาก็ได้บุญแล้วก็ได้บุญแล้วบุญเยอะไหมคะ อูมหาศาลมากกว่าการให้ทานการรักษาศีลเป็นพันเป็นหมื่นเท่าถ้าเทียบที่พระเจ้าตัดเอาไ ว, นะว้นะมากกว่าเยอะแยะเลยมากกว่าเพราะอะไรเพราะมันทําให้เข้าใกล้มรรคผลนิพพานได้ง่ายผลของมันเนี่ยเมื่อทําแล้วเนี่ยจะได้มรรคผลนิพพานได้ง่ายอันนี้สงฆ์มากน้อยบุญมากน้อยเร า, เอาอะไรเป็นเกณฑ์พระเจ้าบอกเอาการเข้าใกล้มรรคผลนิพพานเป็นเกณฑ์ บ, บรารมีทั้งหมดเนี่ยมันสร้างมาเพื่อการเข้าไปดับทุกพ้นทุก์ให้ได้พ้นเกิดแก่เจ็บตายให้ได้นะ ทีนี้เนื่องจากว่าเรายังไม่เคยคุยกันขอไปก็ <c oughs> ไม่เคยในมัฒนการเรียนถามเรื่องมัสมีองค์8ซึ่งเป็นหัวข้อใหญ่เล ย, ยแล้วเราลงมาลงข้อย่อยเล ย, ย, ยแล้วท่านบอกว่าถ้าปฏิบัติสัมมาสังกัปปะจะทําให้มัสมีเนี่ยมันครบขึ้นมาคือคิดดําริชชอบคิ <หา S 1> ดชอบจะทําให้มัสมีดครบเนี่ยขอย้อนกลับไปเลยกับท่านคะว่างั้นมัสมีองแปดนี่คืออะไรคะมัสมีองแปดมันคือหนทางปฏิบัติ ทางกายทางวาจาทางใจซึ่งเมื่อบุคคลทําแล้วเนี่ยมันเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ทุกในทุกระดับเลยและทุกอย่างยิ่งคือความแก่เจ็บตายจะพ้นไปได้ด้วยทุกทั้งโลกทั้งปวงก็จะดับไปได้มารคมีองค์แปดพระยาวยังเรียกว่านิธธรรมนงังคือมนเครื่องปัดเป่าอยากจะถูกปัดเป่ามนต์เสกอะไรนะนี่เอามารคแปดไปเสกไปปลุกไปเป่านี่นะอันนี้ถูกต้องค่ะซึ่งเราคงจะต้องคุยรายละเอียดกันใน<ะ>โอกาสต่อๆไปเพราะว่าเรื่องพ้นทุกข์ที่ เป็นเรื่องที่ทุกคนปรารถนาคงจะมีรายละเอียดมากใช่ไหมคะทีนี้กลับมาที่ท่านบอกว่าถ้าปฏิบัติสัมมาสังกัปปะคือการดําริชอบคิดให้ถูกต้องแล้วจะได้ครบเลยทั้งองค์8ถ้าอย่างย่อๆอธิบายนี้ได้อย่างไรละคะย่อๆก็คือว่าเมื่อกี้บอกว่าเออคนที่มาทําตรงเนี้ยชื่อว่ามีความเห็นถูกและได้สัมมาทิฏฐิความเพียรที่ทําตรงนี้ครูเจ้าบอกเป็นสัมมาวายามะสติที่มาคอยระลึกถึงว่าไอ้นี้ คิดแต่กุศลหรือเปล่าเราทิ้งไปนี่เป็นสัมมาสติความตั้งใจที่ตั้งใจทําลงตรงนี้เป็นสัมมาสมาธิเพราะฉะนั้นได้ครบแล้วนะห้าองค์แล้วท่านบอกว่าส่วนอาชีวะของเขานั้นย่อมบริสุทธิ์มาแล้วแต่เดิมคือถ้าโยมไม่คิดผิดแล้วมันจะปฏิบัติกายวาจาผิดได้ยังไงนั้นนักมีองค์แมันก็ครบขึ้นมาพร้อมๆกันก็เรียกว่าได้บุญมหาศาลมหาศาลเลยแต่สมมติเกิดกรณีเดียวกันที่เราตัวอย่างขับรถไปเจอคนปาดหน้าอเราไม่ได้ คิดแบบสัมมาสังกัปปะคิดตรงข้ามเลยสักทีดีไหมอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงเหรอคะผลนะคะมันก็จะเกิดอันตรายแกเรา <c oughs> อันตรายแกผู้อื่นนะเกิดการทะเลาะเบาแหวงเกิดการเบียดเบียนกันขึ้นเกิดความวุ่นวายขึ้นในสังคมไม่เพียงแต่เรากับคู่กรณีสังคมก็ยังเดือดร้อนพาลดลาติดไปด้วยอก็เรียกว่ามันเห็นเห็นผลทันตาเดี๋ยวปาปรากฏชัดนะคะดังนั้นที่ฟังดูแล้วแหมมมันก็น่า ที่จะทำกันได้ทุกคนน่าจะทำกันได้ควรฝึกเนี่ยถึงแม้จะทำไม่ได้แต่ก็เป็นสิ่งที่ฝึกและอย่างน้อยเนี่ยเรารู้ว่าหนทางแก้มีนะและแก้อย่างไงแก้อย่างนี้<ฆ>แก้ตามท่านผู้รู้พูดไวน้น่าจะเดินตามน่าจะฝึกตามก็เรียกว่าถ้าเป็นชาวพุทธแล้วอยากได้บุญ โดยไม่ต้องเอาเงินเป็นบริจาคที่ไหนนะคะไปวัดไม่ต้องไปอะไรเลยเราก็มาเริ่มต้นกันแบบนี้แต่ว่าแล้วายท่านคะแล้วสุดท้ายเนี่ยทั้งชีวิตไม่ต้องไปวัดเลยได้ไหมคะแต่ถ้ามีเหตุมีเหตุเป็นปัจจัยให้ได้ไปได้เวลาสะดวกไปแล้วมันไม่ทุกข์ไม่สร้างความเดือดร้อนไม่ทะเลาะบอกแว้งก็ไปอ๋อเพื่อช่วยบํารุงศาสนาเพื่อช่วยทําให้ภิกษุซึ่งเป็นผู้นําในผู้ศาสนาเนี่ย ผู้นำในการถ่ายทอดบอกสอนคำพูดเจ้าและเป็นพยานในคำสอนเนี well, pues ่ยจะได้มีชีวิตดำรงอยู่ต่อไปได้ด้วยการใส่บาตด้วยการไปถวายอาหารด้วยการไปฟังธรรมเพื่อช่วยกันสืบทอดพระศาสนากันรุ่นต่อรุ่นเราถ่ายทอดให้ลูกเรานะลูกเราถ่ายทอดให้หลานให้เหลนต่อไปอย่างนี้แม่ดิฉันถามเผื่อครับเพราะว่าก็เดี๋ยวจะว่าไม่ไปเลยเผื่อบางคนก็เลยมีความรู้สึกเอาก็ทำบุญอย่างนี <kind> ้ <alal> ถ้าอาจารย์เครืรีดบอกว่าได้บุญหมดเลยเนี่ยบรรลุเลยหนทางดับทุกข์เพราะว่าได้ครบทั้งมัสมีองค์8ซึ่งเป็นวิธีที่จะทําให้ดับทุกข์ตามแนวทางของศาสนาพุทธจากพระพุทธว จ, จนะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ก็เลยถือโอกาสเลยว่าไม่เป็นแล้วสบายแล้วเดี๋ยวขับรถไปเที่ยวดีกว่าไปเถือโอกาสปาดใครสักหน่อยแล้วก็ห้ภัยเขาก็เป็นอันได้บุญแล้วอย่างนี้ค่ะก็ดูเหมือนกับทำไม่ยากนะคะทำไม่ยาก อตาตมาเลยเอาคําสอนพระเจ้าที่ว่าง่ายๆมาให้แล้วเป็นคําสอนโดยตรงจากพระโอษฐของท่านนะการทิ้งความคิดเนี่ยการลักความเพลินการมีจิตอยู่กับกายนะได้ประโยชน์หมดงานทางโลกก็ดีงานทางธรรมก็ได้นะไม่จําเป็นต้องมีรูปแบบอะไรหลังกินข้าวกลางวันมีเวลาสัก5้านาทีสินาทีรู้ลมหายใจเข้าไว้ตืน่นนอนมาสักห้านาทีก่อนไปทําอะไรรู้ลมหายใจเข้าไว้หายใจเข้าหายใจออกรู้พระเจ้าบอกหายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้ ไม่ต้องบังคับลมอะไรปล่อยลมเป็นธรรมชาติแค่เอาจิตเราเอาความรู้สึกเรามารู้อยู่กับลมเข้าลมออกทําแค่นี้ไม่ต้องคิดอะไรไม่ขอรับผิดชอบอะไรขณาดห้านาทีนี้ขอจิตว่างๆรู้สึกแค่ลมเข้าลมออกแค่นี้ก่อนนอนอีกสักหานาทีนี่เราทำเช้ากลางวันเย็นมี่พระเจ้าสอนให้ทําสมาธิ <c oughs> ทุกเช้ากลางวันเย็นอั น, นิสงส์ <c oughs> ของการทําสมาธิอยากจะให้ท่านบอกคื <c oughs> อเ น, นี่ยเราทำห้านาที <c oughs> หายใจรู้เข้าออกเนี้ยมันได้อะไรล่ะคะโอ้เยอะแยะเลยซึ่งพทะเจ้า แค่ทำสมาธิชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็อนิสงฆ์มหาศาลมากกว่าการทำทานเป็นร้อยเป็นพันครั้งมากกว่าการรักษาศีลเป็นร้อยครั้งอย่างเงี้ยท่านคะนั่นเดี๋ยวที่ทจะสมมติว่าเราจะอยู่กลมหายใจละอเราต้องมีการอารามพบทอะไรไม่แคะต้องอราราธนาขอไม่งั้นจะได้บุญไม่ได้บุญเนี่ยมันออออไม่ต้องมีพิธกรรมไหมคะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไหว้ครูค่ะชกเลยลุยเลยทำเลยอยู่ดีๆก็นั่งนิ่งเลย นึกขึ้นมาได้ปฏิบัติเลยทําเลยนึกนะว่าขณะนี้หายใจต้องหลับตาไหมคะไม่ต้องขับรถอย่าไปหลับตาเ <laughs> ล็งตาไว้ <laughs> ขับรถทําได้เหรอคะขับรถก็ทําได้นะเช่นรถติดยอมก็นั่ง<อ>รู้ลมหายใจใเข้าออกสบายๆไม่หงุดหงิดด้วยเวลาจะผ่านไปเร็วนะตัดความหงุดหงิดได้การรู้ลมหายใจเนี่ยอนาปาณสติีพระเจ้าบอกจะดับอกุศลทั้งโป่งได้อ่เหมือนฝนที่ตกลงมาช้าฝุ่นให้มันสงบราบเรียบไปมีประโยชน์เยอะและประโยชน์ ของการทำสมาธิอย่างที่โ ย, ยมถามเมื่อกี้บอกได้ประโยชน์อะไรพระพุทธเจ้าบอกภิกษุทั้งหลายเธอหวังอะไรล่ะนะชื่อเสียงเกียรติยศเอกลาปัจจัยนะอยากอย่างรู้อดีตอยากอย่างรู้อนาคตอยากสิ้นนาสะวรนะให้เธอไม่เหินห่างจากสมาธิคือทำสมาธิมากรักษาศีลให้ดีเธอจะได้ตามปรารถนาทุกอย่างอ๋อคือต้องอรักษาศีลทำสมาธิคือทำให้ครบแต่คงไม่ใช่ทำประเดี๋ยว <c oughs> เดียวแล้วก็ได้ <c oughs> ใช่ไหมคะในสิ <c oughs> <c oughs> ่งที่สม่ำเสมอเป็นประจํา นี่อาจะมาเอาน้อยแล้วนะห้านาทีเนี่ยแต่กระจาย<ม>กระจายกระจายกันทั้งวันแต่ถ้ามีเวลามากกว่านั้นทํามากกว่านั้นได้นะไม่ใช่ว่าให้ทําแค่นี้มากกว่านั้นได้ก็ดีแต่นี่แบบว่าขี้เกียจนะไม่อยากทําเลยเนะ่ยเอาสักห้านาทีแล้วอย่างสมมุติว่าเราเนี่ยก่อนออกจากบ้านนะคะอย่างเช้าเนี่ยแม้ใจมันกวนวานมันรีบไหมคะวันกลัวไปทํางานไม่ทันอย่างนี้เราก็ไม่ต้องทําที่บ้านไปทําที่อื่นแล้ะ หมายถึงทําสมาธิถ้ารีบใช่ไหมก็ทำขนาดขับรถเนี่ยคือคือหมายความว่าไม่ต้องมี เ, เวลาจำกัดไม่จํากัดเวลาไม่จํากัดรูปแบบนะทำอะไรอยู่ก็ได้ยืนเดินนั่งนอนได้หมดพระเจ้าบอกภิกษุแม่นอนอยู่แต่ถ้าเธอนนั้นทิ้งความคิดอกุศลอยู่ตลอดเวลาชื่อว่าภิกษุนั้นเนี่ยทำความเพียรเผาขีเลหอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมนอนเล่นอยู่นั่นเนี่ยก็ยังชื่อว่าทำความเพียรเผากิเลหมันไม่จํากัดอุปับทเป็นความเพียรทางจิตจิตเราทําความเพียรใจเราทำความเพียรเนี่ย S <S <c oughs> แต่พูดถึงถ้าทำไม่ได้5 huh. นาทีนี่ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครเป็นการฝึกไปเรื่อยๆก็ฝึกไปเรื่อยๆหนึ่งนาทีสองนาทีก็ได้มันเริ่มจากสั้นๆ น, นี่แหละหนะแล้วค่อยๆขายายไปขายายไปเพราะคนไม่เคยทำเนี่ยโอ้ <c oughs> โหหนึ่งนาทีก็ร้อนแล้วมันวุ่นวายนะก็ต <ở> ้องเรียนท่านนะคะว่าก็ทำมานานแล้วก็ยากจริงๆทุกวันนี้ก็ยังมีความรู้สึกว่าเอ่อไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนะนะครับคือเหมือนกับว่าเราอาจจะไปตั้งใจมากไปก็ได้ซึ่งอย่างนี้ค่ะสมมุติเกิด ก็ไปลองทำและ5นาทีแรก<ห> <ork> ของคนที่ไม่เคยทําเลยเน<ห>ี <ork> ่ยมีโอกาสพบอะไรบ้างแล้วก็ควรที่จะจัดการกับปัญหาอย่างนี้ยังไงอะคะอ๋อคืออะไรก็ตามที่พบในสมาธิอย่าไปสนใจค่ะมันจะมีแสงสว่างมันจะมีไอ้นู้นไอ้นี่เบาสบายอะไรรับรู้ไว้เฉยเฉรับรู้แล้วก็ปล่อยไปปล่อยไปสนใจลมพระเจ้าบอกให้เป็นผู้ไม่ลืมหลงในลมอย่าไปลืมลมอย่าไปสนใจอารมณ์โน้นอารมณ์นี้นี่มืนอะไรนิมิตอะไรเกิดขึ้นมาอย่าไปสนใจ หน้าที่เราอย่าลืมลมหายใจแค่นั่นเองมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราต้องปรับเปลื้อนยินดีเลยอคะแหมมีแสงมาสวยงามเป็นปาฏิหาริย์ที่เกิดกับเราอะไรเงี้ยต้องเอาไปบอกต่อเล่า อ, อ่ใช่ส่วนใหญ่กิเลส <c oughs> คนเป็นหนะึ่ง <g owners> แต่มันเป็นของเกิดดับมันเป็นของปลอมอไงโยม <c oughs> มันไม่ใช่ของเที่ยงแทอก็ควรจะทิง้งก็ควรจะทิ้งสนใจไปเท่าทั้งนั้นนะวันนี้ก็เลยได้เยอะเลยนะคะสําหรับท่านที่อยากจะได้บุญในแต่ละวันโดยไม่ต้องไปวัด นะคะสำหรับคนที่ยุ่งมากดิฉันสรุปให้ฟังเพราะบางคนอาจจะมาฟังท้ายๆท้ายๆนี่ชักยาก <c oughs> เราเริ่มต้นด้วยคำถามอย่างนี้แล้วก็ท่าอาจารย์ก็สรุปให้ว่าง่ายๆเลยคือละความคิดที่ไม่ถูกต้อง <c oughs> นะคะก็จะเป็นบุญและยิ่งถ้าคิดในสิ่งที่ดีก็ยิ่งจะดีใหญ่แล้วแถมจะไม่ได้แค่ประโยชน์ในส่วนของสัมมาสังกัปปะเป็นบุญที่เรียกว่าดําริดชอบและเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะพ้นทุกข์ เพราะว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของหนทางแห่งการดับทุกข์คือมัคใช่ไหมคะเป็นหนึ่งในองแปรก็จะได้ครบในทุกๆข้อของมัคด้วยดังนั้นรีบช่วยโอกาสทํากันซะเลยนะคะในเวลาที่ท่านมีภารากิจในชีวิตประจําวันแม้กระทั่งทํางานเจ้านายพูดไม่ถูกใจเลยหงุดหงิดดูลมหายใจไว้ <laughs> ดูลมหายใจ <laughs> <laughs> ดึงจิตครับมาไว้แล้วบอกค่อยดูอย่าให้ถึงโอกาสบ้างก็แล้วกันอย่างนี้นะคะไม่ได้นะคะเราก็ต้องคิดให้ดีเอาไว้ <laughs> แต่เรนเชื่อค่ะของพวกนี้เนี่ยลองทําดูก็แล้วกันว่าใครมาว่าเรานะคะเราไม่รู้สึกอะไรแต่การที่เราไปว่าใครเนี่ยเราเป็นคนทุกข์ซะเองอันนี้เป็นเรื่องที่พบได้ง่ายๆไม่ต้องไปค้นคว้าอะไรมากลองทําดูเลยค่ะเวลาเราตําหนิใครเนี่ยคนทุกข์คือเราไอคนถูกตําหนิบางทีถ้าเราตําหนิข้างในใจเขาไม่รู้เนี่ยเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาก็ยังร้องเพลงสุขสบายใจนะคะแต่เรานี่ทุกข์ก่อนเลยใช่ค่ะ อันนี้เคยพบแล้วค่ะก็เป็นอันว่าวันนี้ได้ข้อทําอีกข้อหนึ่ง